ท่าผู้ฟังลองหายใจเข้าหายใจออกแรงแรงสักสองสามครั้งเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกแรงแรงลึกๆแต่ก็คือว่าให้ปอดของเราขยายไปอย่างเต็มที่สุดหายใจเข้าลึกๆสุดหายใจออกยาวๆสักสองสามครั้งเวลาที่เราให้ลมหายใจของเราเข้าไปในร่างกายอย่างเต็มที่ให้ไอเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นของเสกของร่างกายเนี่ยออกมาจากปอดของเราออกมาจากร่างกายของเราอย่างเต็มที่เนี่ยในทางสาธารณสุขในทางการแพทย์เนี่ยก็จะพูดถึงว่าทำไมร่างกายของเรากระปี้กระเป๋าเวลาที่เราสุดลมหายใจเข้าลึกๆสุดลมหายใจออกยาวๆนักกีฬาเขาฝึกกันหรือว่าคนที่ก่อนจะทำสิ่งใดๆสำคัญะมีความตื่นเต้นอะไรก็พยายามที่จะรวบรวมสติ ด้วยเทคนิคการหายใจลึกๆอย่างนี้เราลองมาพิจารณาดูไอ้เจ้าลมหายใจที่มันเข้าไปนี่สมมติว่าสมมติตัวเราให้เป็นเจ้าโมเลกุลของอากาศสักโมเลกุลหนึ่งที่มันเข้าไปในร่างกายแล้วมันเข้าไปผ่านทางโพรงจมูกผ่านไปในจมูกของเราแล้วผ่านไปยังคอไปตามท่ออากาศเข้าไปสู่ปอด ไม่รู้ว่ามันจะไปปอดข้างซ้ายหรือข้างขวาเอาสักข้างหนึ่งพอมันไปถึงปอดแล้วโมเลกุลอากาศนี้ก็จะผ่านเจ้าเนื้อเยื่อบางๆที่ปอดเนี่ยมีอยู่เป็นถุงลมเป็นพันๆหมืน่มนๆใบเล็กๆอยู่ในนั้นพอผ่านเจ้าเนื้อเยื่อบางๆของถุงลมนี้ก็เ ข, ข้าไปสู่เม็ดเลือดเป็นเม็ดเลือด ด, ด, ดดํำนั่นแหละพออากาศเข้าไปจับอยู่ที่เม็ดเลือดดำจะเป็นออกซิเจน เข้าไปมันก็กลายเป็นเม็ดเลือดแดงไปเม็ดเลือดแดงที่มีอากาศเกาะติดอยู่นี้เนี่ยก็จะแบ่งอากาศโมเลกุลนี้ไปไปไหนก็ไปที่หัวใจหัวใจจะเป็นตัวปั๊มเหมือนปั๊มที่ขับดันเจ้าเม็ดเลือดแดงที่มีอากาศเกาะอยู่เนี่ยไปอากาศโมเลกุลหนึ่งที่ผ่านเข้าไปทางจ ม, มูกของเราไหลไปตามคอตามช่องอากาศไปสู่ปอด แลนะเป็นโมเลกุลอากาศโมเลกุลหนึ่งที่เกาะอยู่ที่เจ้าเม็ดเลือดแดงถูกหัวใจปั๊มเข้ากลับหัวใจเพื่อที่จะสูบฉีดไนะปยังส่วนต่างๆของร่างกายเวลาที่มันถูกดึงกลับเนี่ยถูกแรงดูดแล้วก็ไปสู่หัวใจห้องหนึ่งแล้วก็ถูกผลักด้วยแรงดันไปสู่หัวใจอีกห้องหนึ่งจากหัวใจห้องที่สองนี้ก็จะเป็นแรงบีบละเพื่อที่จะผลักดันเจ้า เม็ดเลือดแดงที่มีอากาศเกาะอยู่นี้ให้ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเวลาที่มันไปมันก็พุ่งไปเลยแพุ่งไปมีเม็ดเลือดแดงต่างๆไปแล้วไปไห น, น, นก็ไปตามหลอดเลือดนั่นเองไปตามหลอดเลือดที่อยู่ในร่างกายของเราหลาไปหลไปไปเจอเซลล์ไหนเกาะ อ, อยู่ที่เซลล์ไหนถ้าเซลล์นั้นต้องการออกซิเจนก็จะเอาเจ้าอากาศโมเลกุลเนี้ย ที่เกาอยู่ที่เม็ดเลือดแดงไปแต่เม็ดเลือดแดงนั้นก็ไปตามทางของมันต่อไปกลายเป็นเม็ดเลือดดำไปแต่เพราะมันไม่มีอากาศละสีสันมันก็จะเปลี่ยนไปอากาศที่เข้าไปสู่ในเซลล์ในร่างกายของเราจะเป็นเซลลกล้ามเนื้อก็ตามเซลล์ อ, อวัยวะก็ตามหรือแม้แต่เซลล์อื่นๆเนื้อเยื่ออื่นๆที่เขาเอาอากาศนี้ไปในการที่จะเปลี่ยนแปลงธาตุของมั น, นเป็นพลังงานออกมา ใช้ในการเผาผลาญอาหารผสมกันกับอาหารอย่างอื่นๆในขณะเดียวกันระหว่างที่มันมีการเผาผลาญเจ้าพลังงานต่างๆเหล่านี้ก็จะมีของเสียเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ฝ่ากออกมามันก็จะกลับมาสู่หัวใจนะเป็นแรงดึงเข้าไปสู่หัวใจแล้วก็ไปยังปอดฟอาออกมากลายเป็นลมหายใจออกเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา รูจมูกของเราออกมาตามปอดพันช่อ ง, องคอมาทางจ ม, มูกออกไปทางข้างนอกเป็นกา๊าซคาด้วยไนโตรซิ่งในอย่างนี้ก็คือ1รอบ1รอบของเจ้าโมเลกุลอากาศที่เข้าไปและมีการเปลี่ยนแปลงธาตุออกมาเป็นลมหายใจออกเป็นอากาศเป็นกา๊าซอีกชนิดหนึ่งวนไปอยู่อย่างเงี้ยและหน่งรอบสองรอบวนไปเรื่อยๆในแต่ละรอบก็อาจจะมีหลายโมเลกุลอากาศ การหมุนเวียนไปแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่แหละแต่เหมือนกับที่โลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่งก็คือปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไ ป, ป, นนไปแล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้ปีหน้าจะมาอีกก็จะผ่านไปอย่างนี้ลมหายใจต่อไปที่จะเข้ามาก็จะออกไปเป็นลักษณะนี้อีกหมุนเวียนเปลี่ยนแ ป, ปลงไปจนกระทั่งมันไม่สามารถทําหน้าที่ของมันเดิมอยู่ได้ อาจจะมีการแตกทําลายแตกหักของตัวระบบทํำให้มันหมุนไม่ได้ดวงดาวโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์แตกไปไมันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกมีดาวดวงใหม่เข้ามาถ้าไม่โลกกับดวงอาทิตย์แตกไปดวงใดดวงหนึ่งมันก็หมุนรอบกันไม่ได้แตความเป็นรอบความเป็นปริวัติการที่หมุนวนไปอย่างนี้ก็จบไปดับไปธรรมชาตินี้มีอยู่ทุกที่ท่านผู้ฟังที่เป็นรอบเป็นรอบหมุนวนกันไปเนี่ยนะ ในใจเราในร่างกายของเราแตเมั น, เ ป, นเป็นอย่างนั้นมันมีลักษณะอย่างนั้นอันนี้เ็เรียกว่าวัดตนะวัตตะวนก็คือวนไปเรื่อยๆหมุนวนไปหมุนวนไปเวลาที่เราพิจารณาในร่างกายของเราอย่างนี้นี่คือลักษณะการพิจารณาแต่พิจารณาเวลาที่ลมหายใจเข้าไปนะมันผ่านไปในส่วนต่างๆของร่างกายแตนะ่แม้แต่ปลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ยังมี ออกซิเจนมีอากาศที่เราหายใจเนี่ยไหลไปตรงนั้นแม้แต่ปลายเท้าของเรานิ้วเท้าของเราแต่มันก็ยังมีอากาศที่ไหลไปส่วนนั้นตามแรงดันแรงดึงของหัวใจของเราที่จะพาไปแต่ผ่านทางเม็ดเลือดผ่านทางปอดผ่านทางโพรงจมูกเข้าไปในในร่างกายของเราเวลาที่มันเข้าไปแล้วจะมีการสังเคราะห์ มีการปรุงแต่งมีการที่เซลล์จะเอาไปใช้งานเปลี่ยนแปลงธาตุเป็นธาตุดินบ้างน้ำบ้างไฟบ้างลมบ้างเป็นความร้อนบ้างแต่เปลี่ยนแปลงไปเสร็จมันก็กลับออกมากลับออกมาก็มาทางเดิมเนอผ่านหัวใจผ่านปอดมาตามโปร่งอากาศช่องจมูกของเราออกไปสู่ภายนอกภายนอกออกไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นตามการปรุงแต่งลักษณะนี้คือลักษณะของการปรุงแต่งตปรุงแต่งสิ่งต่างๆ ให้เปลีป่ยนแปลงไปตามระบบตามกระบวนการของมันการปรุงแต่งนี้แหละเรยกว่าสังขารเป็นหนึ่งในการตั้ง5แม้แต่สมาธิของเราในที่เราทําจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันมีสังขารอยู่มันมีการปรุงแต่งอยู่ในสมาธิจริงๆสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนะท่านผู้ฟังเป็นความหมายรู้เราจะมาหมายรู้ในจิตของเราในที่อย่างใดอย่างห น, นึ่งเอียงสมมุติว่าถ้าเราไปคิด เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันอ่าคิดไปคิดไปแต่เราก็ไปหมายรู้ในเรื่องที่เป็นอดีตเรื่องที่เป็นอนาคตเรื่องในปัจจุบันหมายรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายอย่างถ้าพูดถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมลตรงนี้ก็เรียกว่าสัญญาอย่างหนึ่งเป็นความหมายรู้ในธาตุคุณจะมามาเห็นความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าเคใช้คําว่าอันนี้จะสัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนอก็เป็นอนัตตสัญญาสัญญาก็คือความหมายรู้ หมายรู้ก็คือความที่เราจะพยายามศึกษาว่าอะไรทีมันควรจะเห็นควรจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะมันคือการคิดนึกทั้งนั้นละ่ะมันเป็นการคิดนึกพิจารณาแตการคิดนึกพิจารณาในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อความน่ายคลายกำหนัดความรู้ยิง่งความรู้พร้อมในนิพานการคิดนึกที่เป็นไปในแนวทางนั้นนี่คือลักษณะที่เรียกว่ามักนั่นคืออริยมักมีองค์แอยู่หขนทานที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ ว่าถ้าสัญญาทั่วๆไปความหมายรู้ทั่วๆไปเช่นว่าคุณรเรียนภาษาเกาหลีคุณร เ, เรียนภาษาเยอรมันคุณรเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ภาษาต่างๆเหล่านั้นก็เป็นความหมายรู้นะเห็นมุต่ า, ธธาข้าพเจ้าพูดถึงความปากกาอย่างนี้ถ้าคนฝรั่งเขาไม่เข้าใจภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะมีรู้าประกาศคืออะไรคนที่รู้ภาษาอังกฤษก็จะรู้ว่าไอ้เพนเนี่ยมันคือปากกาแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเพนเพนนี่มันคืออะไร ก็อาจจะเข้าใจไปถึงอำเภอเพนที่อยู่จงังหวัดอุดรธานีเ อ, อ้ามันคนละเรื่องกันเลยแต่ความหมายรู้ก็เป็นคนละอย่างกันเพรา ะ, ะนั้นไอ้ความหมายรู้คือสัญญาเนี่ยใช่อยู่มันเป็นไปเพื่อความยึดถือแต่ละความหมายรู้หรือสัญญาอะไรที่เป็นไปในทางความรู้ยิ่งรู้พร้อมเช่นว่าการที่ให้เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอนิจจสัญญาอย่างนี้เอออันนั้นเป็นความหมายรู้ที่จะเป็นไปในแนวทางมักเดีย๋ยวเรามาพิจารณาแยกแยะ ธาตุสดินน้ำไฟลมในร่างกายของเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราเอามีธาตุดินแยกไปทางมีธาตุน้ำแยกไปทางของไหนเป็นของแข็งมีสภาวะเข็นแข็งแยกไปทางหนึ่งแตนะ่มีอะไรบ้างกระดูกนี่แข็งเป๊กเลยนตะ่พวกอวัยวะภายในต่างๆนี่ก็มีลักษณะเข็นแข็งขันบีบน้ำมันออกมานตะ่ให้เหลือแต่ก้อนแข็งๆเอาไว้แตนะ่เป็นก้อนๆเอาไว้นั่นไปเป็นลักษณะของธาตุดินอันไหนเป็นของเหลว เป็นของไหลไปได้อนนี้เป็นธาตุน้ำแยกมาการพิจารณาแยกแยกตรงนี้นั่นคือลักษณะของการหมายรู้นั่นเองมันเป็นสัญญาอย่างหนึง่งสัญญานี้อาจจะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปการปรุงแต่งเนี่ยเวลามันปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งสัญญาให้สาเ ร, รูปโดยความเป็นสัญญาแ่เราพิจรารณาอย่างพิจารณากายพิจารณากระดูกอย่างนี้จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง แต่คุณพิจารณาที่กระดูกนิ้วมือเอลักษณะมันเป็นยังไงนะเห็นมันเป็นยังไงอา้าแล้วก็ไปที่กระดูกมือไปที่กระดูกแขนแต่กระดูกก็มีตั้งหลายท่อนพิจารณาไปเนี่ยเห็นว่ามันจะมีการเคลื่อนไปในะการเคลื่อนก็เป็นการปรุงแต่งอย่างหนึง่งเป็นลักษณะที่ปรุงแต่งสัญญาอย่างหนึง่งให้เป็นสัญญาอีอย่างหนึ่งปรุงแต่งกระดูกมือเอา้าต่อไปเปลี่ยนเป็นกระดูกแขน พิจารณาที่กระดูกแขนการเปลี่ยนแปลงสัญญาจากกระดูกมือให้เป็นสัญญาของกระดูกแขนคุณเลื่อนไปเปลี่ยนไปนี่คือสังขารเข้าทํางานสังขารเวลาที่มันทํางานมันก็สําเร็จรูปไปแล้วจบไปละนัะ่นก็จบหน้าที่ของมันไปนั่นเปลี่ยนเป็นสภาพอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะที่เราทําสมาธิอยู่เนี่ยนั่งสมาธิตัวนิ่งๆหรือคุณจะเดินจงกรมก็ตามแต่ไอ้เรื่องของรูเปเว็นาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเนี่ยคือขันทั้งห้า มันอยู่ในนี้หมดแต่อยู่ในใจของเราบางทีเราไปก้าวลงตรงนั้น อ, อันนี้เป็นรูปกายเราเป็นรูปเราพิจารณาตรงนี้อันนี้เป็นสังขารพิจารณาตรงนั้นออกเป็นสัญญาเปลี่ยนไปเป็นสังขารนะมีความรู้สึกบ้างเอาเป็นเวทนาอะไรเข้าไปรับรู้จิตของเราเนี่ยมันวนไปอยู่อย่างนีน้เดี๋ยวไปตรงนั้นเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวไปตรงอื่นแตมันเป็นไปเป็นมาของมันธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทําให้บางคนอาจจะมีความสับสนว่าเอ๊ะอย่างนี้มันนึกเอาเปล่า เป็นวิปัสสนึกหรือเปล่าหรือว่าเป็นกระบวนการที่ทําให้เราฟุง้งซ่านหรือเปล่าจึงต้องทําความเข้าใจว่าไอการพิจารณากับความฟุง้งซ่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือศัพท์อย่างเช่นว่าวิปัสสนึกเนี่ยนะเป็นการพูดสํานวนที่เขาพูดกันในปัจจุบันเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจถึงเรื่องว่าไอจะมีความแตกต่างกันระหว่างการพิจารณากับการนึกเอาแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ถูกต้องตามหลักของพุทธพจน์โดยการใช้ สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยก็จะพูดถึงการทําวิปัสสนาอันนี้แน่นอนในาการพิจารณ า, นาหนึ่งคือการพิจารณา 2. คือการที่จิตฟุง้งซ่านและการพิจารณากับการที่จิตฟุ้งซ่านไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่นอนสิ่งที่เราปรเปรียบเทียบต้องปเปรียบเทียบระหว่างการพิจารณากับเจ้าความฟุ้งซ่านอย่างเวลาที่เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนั้นจิตของเรามีความตั้งมั่นอยู่ในระดับหนึ่งเราไปพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การพิจารณานั้นเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นความฟุง้งซ่านนั้นเพราะว่าจิตมีสมาธินั่นเองความฟุ้งซ่านจะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิแต่ความฟุ้งซ่านจะทําให้จิตมีความเร่าร้อนมีความรุ่มร้อนแต่สมาธิตั้งไม่ได้อย่างเช่นว่าถ้าคุณจะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยถ้าอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือว่ามีความวุ่นวายบางทีเราเราอ่านไม่ได้แต่เพราะว่ามันมีความวุ่นวายมีความฟุ้งซ่านเดี๋ยวมาทางตาสัมผัสทางตาทางหูเสียงดังแต่ถ้าบางที เอาเราทำจิตใหม่ทำจิตเราให้เป็นสมาธิเอออยู่ในรถเมย์รถไฟเอ๊ะเสียงดังเหมือนกันแฮะแต่เราก็ยังอ่านหนังสือได้นั่นเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธินั้นมันแตกต่างกันตรงนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่การพิจารณาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจิตนั้นจะเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไอ้สิ่งที่ไปคิดไป น, นึกนั้นจวเข้าข่ายลักษณะของการฟุง้งซ่านแต่มีครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยเคยบอกท่านพระอนุรุทธ ตอนนั้นท่านพระอนุรุธทธะยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ท่านพระอนุรุธทธะนี่โอ้โหเป็นผู้เลิศในเรื่องที่พยาจักษุแต่ที่มีตาทิพนั่นเองได้ตาทิพตั้งแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ำแล้วก็เข้าสมาธิถึงฌานสี่ได้ความสามารถในเรื่องของตาทิพแล้วก็ตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งแล้วตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งเอ๊ะทำไมเรายังไม่บรรลุสักทีแต่ท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกท่านพระ อนุรุทธาว่าไอการที่ท่านไปตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งเนี่ยไปดูตรงนั้นดูตรงนี้ดูตรงโ น, น้นดูตรงโ น, น้นโน้นเ น, น, น, นี่ยเนี่ยคือความฟุ้งซ่านของท่านและเป็นความฟุ้งซ่านที่ละเอียดนะนี่ขณะมีจิตเป็นสมาธินะมีการพิจารณาด้วยนะเพื่อนถามว่าเวลาที่เราจะไปพิจารณาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ความฟุง้งซ่านก็คือว่าเราพิจารณาดูแล้วมันเป็นไปเพื่ความปล่อยวางถ้าเราพิจารณาแล้วยังเกิดความยึดถือ ในสิ่งที่เราพิจารณาดูอย่างหมอเป็นตน้นะวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่ใช้ความสามารถสูงแต่คุณจะต้องพาศพนะาอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาใช้ศัพท์นี้กันนะวิเคราะห์แยกแยะส่วนต่างๆในะมีการพิจารณาจิตตรงนั้นต้องเป็นสมาธิแน่นอนแต่ถ้าสมาธิพิจารณาที่เกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นไปด้วยความยึดถืออันนั้นมันไม่ใช่วิปัสนาเป็นความคิดนึกเอาแต่จะพูดศัพท์อย่างที่ท่านพระสารีบุตรพูดก็คื อ, อยังฟุง้งซ่านอยู่เพราะมันยังยึดถืออยู่ เอ้คุณน่าจะพิจารณาแยกแยะเพื่อให้ปล่อยวางแต่พิจารณาแยกแยะแล้วยังสร้างความทุกอยู่นะมีความเป็นตัวตนมากขึ้นอันนั้นยังเป็นไปเพื่อความฟุกงฉานแต่ถ้าเราพิจารณาแยกแยะด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วปล่อยวางได้นี่คือตัวสําคัญแตนะ่เราต้องปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางคือคลายกําหนัดนั่นแหละคลายความยึดถือจะคลายความกําหนัดจะคลายความยึดถือมันต้องมีปัญญานะปัญญารู้ยิ่งปัญญารู้พร้อม ปัญญาเป็นไปเพื่อความดับสนิทปัญญาตรงนี้ก็เกิดจากการที่เราพิจารณานั่นแหละแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันยังยึดอยู่อาจจะพิจารณาไม่ถูกอาจจะจิตไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางได้นั่นคือจิตเป็นสมาธินั่นคือมีการพิจารณาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะทําการพิจารณาที่ถูกต้องได้จิตเราต้องเป็นสมาธิอันนี้ต้องเกื้อกูลกันแต่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดา มีสติตั้งมั่นอยู่เป็นอารมณ์เดียวไอ้สติที่ตั้งมั่นไว้นี่จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้พอจิตเรามีสมาธิจะใช้สัมมาสมาธินี้ทําสมาธิติให้เกิดขึ้นได้แต่ที่ข้าพเจ้าใช้คําว่าสัมมาสา ม, มาเนี่ยคือความถูกต้องนั่นคือจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยสมมุติเราไปใช้ในการเรียนหนังสือเพื่อให้มีการท่องจํามากขึ้นใช่ไหมอันนั้นก็ก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งปรากฏว่าเราท่องจํามากขึ้น อ้ามีความยึดถิ่ยึดถือเป็นตัวตนว่าฉันเป็นด็อกเตอร์ฉันเป็นศาสตราจารย์มันมีความเป็นตัวตนขึ้นมาาแสดงว่าใช้สัมมาสมาธิไปไม่ถูกทางละพิจารณาไปไม่ถูกทางนั่นคือยังไม่เป็นสมาธิฏฐิแต่เป็นไปเพื่อความยึดถือและการพิจารณานั้นก็เข้าข่ายของความที่ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกาหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับความระงับแต่เป็นไปเพื่อความยึดถืออันนี้ก็ยังไม่ถูกต้องร้อยเเมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องการพิจารณาอยู่ มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของสมาธิินิดนึงแต่ถ้าเราใช้สมาสมาธิของเราไปในการพิจารณาแยกแยะร่างกายนี่ก็ตามเหมือนหมอที่เขาแยกแยะร่างกายต่างๆแล้วให้เกิดความหน่ายเกิดความคลายกำหนัดเกิดความปล่อยวางพาเบื่อหน่ายคลายกําหนัดปล่อยวางแล้วมันเป็นไปเพื่อการคลายความยึดถือในความเป็นตัวตนแต่พิจารณาอย่างนี้ถูกทางพิจารณาอย่างนี้คือเป็นไปเพื่อสมาธิฐิ เป็นลักษณะของสมาธิเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความดับสนิทดับเย็นการที่เราจะพิจารณาอย่า ง, ง น, นั้นแน่นอนจิตต้องเป็นสมาธิในสมาธิในลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีการคิดนึกเอาพิจารณาก็คิดนึกนั่นแหละแต่พิจารณามันก็คือมีการเคลื่อนไหวของจิตเดี๋ยวไปรู้ตรงนั้นเดี๋ยวไปรู้ตรงนี้เป็นการพิจารณาที่อยู่ในกรอบของสมาธิอยู่ในกรอบกฎเขนของความที่จิตมีอารมณ์เดียว กรอบนี้บริพุทธเจาตั้งเอาไว้ใ น, ในลักษณะไล่มาตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยแ ต, แต่ความคิดที่มีความคิดความนริริความนึกที่มีเนี่ยไม่เป็นไปในทางการพยาบาทเปลียนเบี่ยนมีอยู่คิดอยู่ต่างที่ไปในกายอยกแยะธาตุสเห็นผมขนเล็บฟันหนังในเห็นกายของเราเป็นของเน่าเปื่อยทำไมจะไม่คิดคิดแต่ความคิดนี้ เป็นใบเพื่อประโยชน์เป็นใบเพื่อความหน่ายไกลกําหนัดความดับความระ ง, งบับความรู้ยิ่งความรู้ความนิพพานแสดงว่าไอ้ความคิดนี้เป็นมรคนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเป็นทางที่จะให้เรายึดถืเอเราต้องคิดให้ถูกด้วยนะต้องคิดให้ถูกจะคิดให้ถูกมันต้องเกื้อกูลกันแต่ต้องมีทั้ง ส, ต, ต, งงสติต้องมีทั้งสมาธิแต่ต้องมีทั้งสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นไอ้ขณะ ท, ที่เราทําสมาธินี่นะนั่งสมาธิโดยการเป็นรูปแบบไอ้ความคิดที่ว่าเออฉันจะต้องมานั่งสมาธินี่ นีเป็นสมาธิติเบื้องต้นที่คุณมีล่ะคุณมีสมาธิติเบื้องต้นมาเออทุกวันแหมฉันต้องมานั่งสมาธิมาทําสมาธิอย่างเป็นรูปแบบความคิดนี้ดีเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ลักษณะนี้คือมีสมาธิติแล้ว เ, เราพยายามที่จะควบคุมจิตแนวของเราในลักษณะที่จะไม่ให้ความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมันเกิดขึ้นแต่มาคิดในวิเคราะห์วิจัยในร่างกายของเรามาคิดวิเคราะห์วิจัย ความไม่เที่ยงความเป็นที่หมุนวนเปลี่ยนแปลงไปของลมหายใจของเรานี้ก็ได้คิดไปอย่างนี้ไม่มีทางการไม่มีทางพยาบาทไม่มีความคิดตัางเบด็ดเบียนละแต่เป็นความคิดที่เป็นไปในทางของสัมมาสมาธิแต่ถ้าเรามีความปีติมีความสุขอยู่ในร่างกายของเราและไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเลยที่ปีติสุขไม่ถูกต้องนั่นคือลักษณะของชานหนึ่งแป๊ะเลยแต่ ล, ะละักษณะของฌานหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราคิดวิเคราะห์วิจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิด วิเคราะห์พิจารณาในร่างกายแล้วเป็นใบเพื่อความหน่ายเป็นใบเพื่อความวางเป็นใบเพื่อความระงับของจิตที่มันจะระงับรวมลงได้เนี่ยการพิจารณานั้นเป็นสิ่งดีนะเป็นกรอบที่อยู่ในสมาธิแล้วเหแตนการพิจารณานั้นเป็นการเห็นจริงด้วยเป็นสมาธิถี่ด้วยการพิจารณานั้นถ้าหน่ายแล้ววางแล้วนั่นเป็นวิปัสสนาด้วยมันร่วมอยู่ใน additions. นี้กันหมดมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีละขั้นละตอนนะ คือมันรวมอยู่ในนี้หมดเป็นอันเดียวกันเหมือนคุณอาจจะผสมอาหารเนี่ยเอากุณตีไข่ใส่ไปก่อนนะเราไปคุณใส่ซีอิ๊วเราคุญก็ใส่แป้งคุณผสมตรงนั้นตรงนี้ใส่ผักใส่อะไรเข้าไปแต่ว่ามันทุกอย่างมันปนกันอยู่ในนี้นะไม่ใช่ว่าใส่ไข่แล้วเอาไข่ออกใส่แป้งแล้วเอาแป้งออกใส่ซีอิ๊วเอาซีอิ๊วออกแล้วมันจะไปผสมกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการทําจิตเนี่ยมันต้องผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนลําดับขั้น นะอาจจะสำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างบางกรณีคุณอาจจะใส่น้ำตาลก่อนหรือใส่แป้งทีหลังคุณอาจจะใส่วันนี้อาจจะใส่แป้งก่อนใส่น้ำตาลทีหลังระดับขั้นอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในบางเรื่องในบางเรื่องซึ่งในที่นี้เนี่ยทําให้คนไปเข้าใจกันว่างั้นต้องสมาธา ก, ก่อนสมาธิถึงจะเกิดได้เราแค่ทำวิปัสนาบางคนก็บอกว่าอืมต้องวิปัสสนาก่อนคือมันอันไหนก็ได้แล้วมันจะมารวมกันต้องทําให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือประเด็นเวลาทําขนมเนี่ย ถ้าคุณจะเอาส่วนประกอบเช่นเอาน้ำตาลไปอบก่อนเอาแป้งไปอบนะแล้วก็เอาไข่ไปอบแล้วก็มาผสมรวมกันหลังจากอบแล้วมันไม่ถูกคุณต้องผสมรวมกันก่อนแล้วค่อยเอาไปอบเข้าใจไหมอบแล้วค่อยเอามากินแต่เหมือนกันบางทีเราบอกว่าเอ๊ะจะปล่อยวางก่อนเราค่อยจะไปทําสมาธิมันไม่ได้ปล่อยวางนี่มันต้องหลังจากที่คุณมีทั้งสมาธิดังมีทั้งสมาถะเอาสมาถะกับวิปัสสนาอันไหนมาก่อน เออ น, นี่คือรายละเอียดที่ว่าบางทีเราเอาน้ําตาลผสมก่อนแล้วเอาแป้งใส่ตามหรือเอาแป้งใส่ก่อนเอาน้ำตาลผสมตามมันได้ทั้งนั้นหรือว่าตอนนั้นคุณมีอะไรแต่เะนั้นบางทีก่อนหลังก็มีบางทีลําดับขั้นก็สําคัญเพราะฉะนั้นเราทําการพิจารณาเนี่ยไอการที่เราจะมากังวลว่าเอจะพิจารณาก่อนเอหรือว่าจะสมาถาก่อนเอจิตสมาธิหรือ ย, ยังได้ทั้งนั้นแหละอันไหนจะทําให้ จิตเราเป็นสมาธิได้ไหนจะทําให้จิตเราปล่อยวางได้ทําอันนั้นชะทําเดี๋ยวนั้นชะแต่มันต้องมีมาผสมกันแต่พอส่วนผสมมันได้ที่แล้วเราจึงค่อยเอาไปอบส่วนผสมมันได้ที่แล้วเราจะปล่อยวางได้เพราะบางทีท่านผูฟังอาจจะเห็นว่าเฮ้ยข้าพเจ้าบางทีก็เริ่มจากการวิปัสสนาอางทีก็เริ่มจากการที่ให้จิตเป็นสมาธิแต่บางทีก็พูดถึงเรื่องสมถวิปัสสนานไปพร้อมกันมันต้องพร้อมกันท่านผูฟังมันต้องพร้อมกัน เวลาเราพิจนารณาก็ตามจำสมถะวิปัสสนาเนี่ยขั้นตอนการอธิบายเนี่ยมันก็ต้องอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องเรื่องของเทคนิคการสื่อสารในอย่างที่เคยบอกไปว่าเราจะพูดถึง1นึถึงสิเนี่ยมันก็ต้องไล่ไปหนึ่งสองสามหกเจจะมาพูด1นึถึงสิพร้อมกันออกมาคําเดียวมันไม่ได้แต่มันเป็นข้อจํากัดเรื่องการสื่อสารมันจึงต้องมีการอธิบายแต่เป็นขั้นเป็นตอนใช่แต่ขั้นตอนทั้งหมดนั้น ต้องมาทําให้เป็นอันเดียวกันแต่ต้องทําให้มันเข้ากลุ่มกลืนเป็นมรคสมังฑีเป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นในจิตของเราจิตที่มีองค์ประกอบทั้ง7อย่างตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติเนี่ยลามาสัมมาทิฏฐิสมากรรมตตะสัมมาชีวะสัมมาสังกัปปะสัมมาวยามะสมาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่ในจิตที่เป็นหนึ่งนั้นคือสมาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาสมาธิก็มีองค์ประกอบ กองเรีมักมีของแบตอยู่ในนี้ทั้งหมดน่าเราทำให้ถูกทําไม่ได้ทำให้ถึงน่าเราจะวางได้การวางการปล่อยวางนั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นของการที่เราเจริญมักแปดอย่างถูกต้องการตรงเนี้ยการทําตรงเนี้ยต้องทําให้ชํานาญนะต้องมีความชํานาญในการทํามีความชํานาญในการปฏิบัติกว่าคนที่เขาจะฝึกจนกระทั่งเป็นเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวชั้นเลิศเนี่ยไม่เคยดูเขาทําอาหาร เขาทำได้คล่องเขาทำได้อร่อยเขาทำได้ดูดีเหลือเกินเขาฝึกเป็น10บปีท่านฟังฝึกเป็นสิบปี20ปีบานทีส30สิปีบางคนทำมาสี่สิบห้าสิปีแล้วก็ยังฝึกยังพัฒนาฝีมือของตนเองอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันพระสงฆ์ที่เขานั่งสมาธินี่นะไม่ใช่ว่าโ อ, โอ้บบรรลุแล้วแต่สบายแล้วนั่งกะดิกเท้ากินน้ําชาได้ไม่ใช่คนได้แล้วนี่มันยิ่งฝึกหนักยิ่งทําหนักให้มันได้ให้มันมีความชัดเจนมีความแคล่วคล่อง นักกีฬาที่เขาเป็นมืออาชีพแล้วแล้วคขาฝึกอยู่เรื่อยซ้อมอยู่เรื่อยซ้อมตรงไหนซ้อมตรงเบสิกนี่แหละฝึกตรงพื้นฐานนี่แหละเราทําพื้นฐานของเราให้ดีฝึกซ้อมให้มีความชานาญทําอย่างมั่นใจทำอย่างต่อนเนื่องทําอย่างไม่ขาดสายการทําตรงนี้จะทํามักของเราให้เจริญได้ปริมาณมักของเราจเจริญแล้วเราจะปล่อยวางความยึดถือในตัวตนได้เหมือนคุณผสมส่วนผสมข อ, ของขนมเสร็จแล้วหมักไว้ ตาเวลาเรียบร้อยแล้วเอาไปอบออกมาแม่มันมันดีแต่มันหอมหวานชื่นใจกินได้อย่างอร่อยที่พูดนี้ไม่ใช่ให้ไปฝึกทำขนมนะแต่ให้ฝึกจิตของเราให้ฝึกจิตของเราให้มันแคล้วออคล่องชํานาญเป็นทักษะที่เราทําได้ฝึกได้พระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับการที่ช่างหมอเขาปั้นดินเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับการที่ช่างทองเขาเอาทองมาล้อมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้มันส่งรัสมีมีเนื้อนุ่มเปรียบเทียบกับช่างแกะสลักที่เอาไม้มาฝนมาเหลาจนกระทั่งมันเรียบนะเป็นเนื้อละเอียดขึ้นมาเรามีจิตของเราอยู่กับเราเราทำจิตของเราให้ดีให้ถูกฝนขัดล้างเช็ดถูมันให้ดีจิตใจเราจะเป็นจิตที่ประพัติสอนได้วันนี้ครับพระเจ้าพระพบูลก็ขอลาไปก่อนจญบาน